ผู้ฟังและนักศึกษาทั้งหลายวันนี้เราก็มาว่ากันบทเรียนถึงพุทธประวัติต่อในครั้งที่แล้วนั้นเราได้พดเราได้พูดถึงตอนที่ภิกษุสะมัระบุตได้ถวายผ้าสิงค์วันแก่พระพุทธองค์ผืนหนึ่งและถวายแก่พระอนนท์ผืนหนึ่งตามพุทธประสงค์แล้วก็ เพราะผู้มีภาคเจ้าทรงแสดงทามีกถาให้ปุกุสะมัลระบุตนั้นลื่นเลงในกุสมธรรมจริยาตามสมควรปุกุสะมัลระบุตก็จิงได้ถวายอภิวาสัางคมทำประทักษิณแลหลิกไปในวันนี้เราก็จะมาพูดกันต่อในเรื่องผิวกายของพระตถาคตผ่องใส ย, ยิ่งนักในสองการได้ยกัน เมื่อปุกุสะมาระบุตรหลีไปแล้วไม่ช้าท่านพระนนเทเถระก็จึงได้น้อมนําเอาผ้าสิงคิวันที่ปุกุสะมาระบุตนั่นได้ถวายแก่ตนเข้าไปน้อมถวายต่อพระองค์อต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็จึงได้ทรงนุ่งผ้าสิงคิวันนั้นผืนหนึ่งแล้วก็ห่มผืนหนึ่ง คู่ภาสิ่งที่วันนั้นปรากฏเป็นหนึ่งว่าทานที่ปราศจากเปลวอําเปลวเปลวเลิงคือเรียกว่ามีสีสดใสพอพระอนนท์น้อมเข้าไปถึงพระกายปรากฏว่าผิวพันธ์ของพระผู้มีภาคเจ้าหรือพระพุทธองค์นั้นก็บริสุทธิ์ ผ, ผ่องยิ่งนักพระอนนท์เทและเจ้าได้ทรงจรึงได้กราบทูลสรรเสริญว่า ผิวพันธ์ของพษัตริย์โคตเจ้านั้นบริสุทธ์นักเป็นอัศจรรย์พระพุทธองค์ก็จึงตัดวันดูก่อนอ น, นน์ผิวพันธ์ของพษัตริย์คตนี้จะบริสุทธ์บริสุทธิ์ผ่องใสบริสุทธิ์ผ่องใสจรดังพระอนุสรเสริญกายของพระตถาคตรนี้ย่อมบริสุทธ์ผิวพันธ์ย่อมผ่องใส ย, ยิ่งนักในสองการด้วยกันคือหนึ่งในเวลา ที่จะตัดสูอนุตตรในเวลาราตรีที่จะตัดสูุอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณและก็สองในเวลาที่จะปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุในสองการนี้แหละกายแห่งพระสถาคตผิวพัธุ์แห่งพระสถาคตจะผ่องใสเป็นพิเศษดูก่อนอนตนในยามที่สุดแห่งราตรีณวันนี้ วามปรินิพานแห่งพระเาคุตจกมีระหว่างแห่งต้นหลังทั้งคู่นสารวันวนโทวนโทยานแห่งมรรคสัพดูก่อนอนอ์นเรามาพร้อมกันไปยังแม่น้ำกะกุทานาทีกันเถิดพระอนอนลรับพุทธาน า, านาทแล้วจึงได้บอกแก่พระภิสุสงฆ์ให้สาบแม่น้ำกะกุธานาทีนี้ ก็คือแม่น้านสายหนึ่งที่พระอานน์นั้นได้เคยกราบทูลให้พระพุทธองค์ที่เสด็จพักในระหว่างทางบอกว่าให้แข็งพระไทยเดินไปอีกสักหน่อยที่จะถึงแม่น้านกับคุทธธานาทีนี้น้ำในที่มี้ใสและอาดนั่นเองลำดับนั้นพระผู้มีภาคเจ้าพร้อมด้วยพระพิสุสงเป็นพุทธบริวาร เป็นอันมากก็สิงได้เสด็จดำเนินไปถึงแม่น้ำกกุธานาทีเสด็จเียงสงสเวยสํารานพระพุทธอธัจฉริยแล้วก็สิ่งได้เสด็จขึ้นจากน้กํากกุธานาทีระทับณใต้ล่มมะม่วงต้นหนึ่งตรัสเรียกให้พระจุนทกะเทละคือพระจุลภูนี้เป็นพุทธอุปเคยเป็นพุทธอุปถะเป็นพระน้องชายของท่านพระสารีบุตร พระองค์จิงได้ตรัสเรียกพระจุนท ะ, ะเถระหรือจุนทะเถระให้ปรูราาพาสังฆติเป็นสี่ชั้นด้วยกันถวายพระองค์ก็สมเด็จสีสยญาตเพื่อเป็นการที่พักผ่อนวาบอ่อนเพลียที่ได้ทรงดำเนินมาด้วยความลำบากลำดับนั้นพระองค์ก็จึงได้เรียกพระอาน น, น์มา แล้วพระองค์ก็จิงได้ตรัสว่าบุกดอนนล์อาจจะมีคนบางคนพูดขึ้นว่าอาจจะมีคนบางคนนะทำความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่นในจุนทะกรรมมรรบโดยการพูดว่านี่แนะ่ในจุนทะไม่เป็นลาบประเสริฐของท่านเลยท่านนะ่ะได้ลาบที่ไม่ดี พระตถาคตเจ้าหรือองค์สุนเดษพระสัมมาสัมพุทเธเจ้านั้นได้บริโภคอาหารบิทบาทของท่านแล้วโ ก, ก, กปรินิพานก็เสด็จปรินิพานในดังนี้คือหมายความว่าบางคนอาจจะพูดแกนายจุนท่าว่าเพราะเหตุที่พระพุทธองค์นั้นเนี่ยบริโภคอาหารแบิทบาทที่นายจุนท่าถวายจึงสเสด็จปรินิพานคือเรียกว่าจึงนิพานเพราะเหตุที่อาหารนั้นเป็นเหตุ ดังนี้พระองค์ก็จึงไปตรัสเรียกพระน น, นมาและประดับวัดดูก่อนอังน น, นความไว้ปฏิสารคือความเดืดอดร้อนเขาในจุนทะเมื่อได้ฟังคําพูดคนเช่นนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วเธอทั้งหลายนั้นพึงระงับเสียให้สงบโดยการปลอบให้เบาใจอย่างนี้ว่าดูก่อนในจุนทะเป็นลาภอย่างมากของท่าน ท่านได้ดีแล้วพระเจ้าโคดเจ้าได้บริ โ, รโภคหรือว่าได้ทรงเสวยบิณฑบาตของท่านเป็นครั้งสุดท้ายแล้วปรินิพานดูก่อนในจุนทะข้อนี้เราได้ฟังได้รับฟังมาณนะเฉพาะพระพักแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าบิณฑบาตสองคราวมีผลเสมอเสมอกันแล้วก็มีสวิบาตเสมอเสมอกัน มีผลมากมีอานิสงฆ์มากกว่าบิณฑบาตทั้งหลายอึดวันนี้อาบิณฑบาตทั้งสองคราวนั้นคราวไหนบ้างก็หนึ่งคราวที่พระตถาคตเจ้าทรงสวยบิณฑบาตอันใดแล้วแตสรู้อนุตระสัมมาสัมพุทียานแล้วก็ประการที่บิณฑบาตครั้งที่สองก็คือบิณฑบาตที่พระตถาคตเจ้า ได้เสวยแล้วตอินิพพานด้วยอนุภาตาที่เสสนิพพานธาตุบิดาบา ท, ทั้งสองคราวนี้แหละหรือว่าบิดาบา ท, ทั้งสองมื้อนี่แหละมีผลมีพิบากเท่ากันมีผลมากมีอนิสง์มากกว่าบิดาบา ท, ทั้งหลายอึดกรรมคือการให้อายุเลวันนะสุกยศสวรรค์และความเป็นอธิบดี อันในจุนทะได้สั่งสมก่อสร้างแล้วดูก่อน อ, น, อนุนความวิปฏิสานเดือดร้อนของในจุนทะกรรมมาระบบิดเธอทงหลายพึงระ ง, งับเสียให้สงบด้วยสถาคตพาสิท์ดังนี้เถิดในองค์สุเด็พระสมมาสมพุทิเจ้าทรงเป็นห่วงว่าเมื่อพระพุทธองค์ปณิพานแล้วอาจจะมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งพูดให้ในจุนทะนั้นเกิดความเดือดร้อน โดวยว่าเพราะเพราะเหตุที่พระองค์ทรงสรวยพระกยาหารของในจุนทาแล้วจึงปรินิพานเพราะฉะนั้นพระองค์ก็จึงได้ให้เรียกพระอนนุมาตรัสให้ระนับความเดือดร้อนของในจุนทะซิอย่างนี้โดยกล่าวว่าบิณฑบาต ท, ทั้งสองคราวนั้นมีอานิสงส์มากมีมีผลมากเหตุใดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าบิณฑบาตสองคราวนี้ มีอานิสงฆ์มากและมีอ่ามีอนิสงฆ์มากแล้วมีอานิสงฆ์และมีวิบากเสมอๆกันที่พระองค์ทรงจัดว่าบิณา บ, บาต ท, ทั้งสองคราวนี้มีผลมีอานิสงฆ์เท่ากันนั่นเนะ่ยก็เพราะเหตุที่ว่าเมื่อพระองค์ทรงสวยแล้วทําให้บรรลุพระนิพพานเสมอกันคือบิดา บ, บาตครั้งหนึ่งก็คือของนางสุชาดาคือได้แก่ข้ามัทุยะมัทุปายาต ซึ่งพระองค์ทรงสวยแล้วให้พระองค์สําเร็จกิเลสนิพพานคือได้ตะสรู้อนุตตรสัมมาสมัมพุทสียานที่เรียกว่ากิเลสนิพพานนั้นหมายถึงว่าดับกิเลสได้แล้วของในจุนทกักรรมาระ บ, บนุนี้เมื่อพระองค์ทรงเสวยแล้วเป็นเหตุให้พระองค์ทรงบรรลุขันธนิพพานก็คือดับขันที่เราเรียกกันว่าปินิพพานเอง คือดับขันโดยไม้เหลือเพราะฉะนั้นทีถ่ถือว่ามีอานิสงส์เท่ากันมีผลเท่ากันนั้นเพราะเหตุที่ว่าได้บรรลุนิพพานเหมือนกันเมื่อพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิสุเป็นอันมากครั้งนั้นก็จึงได้เสด็จดำเนินผู้ดำเนินต่อไปจนกระทั่งข้าแม่น้ำสายหนึ่งชื่อว่าฮิรัญยวดีแล้วจึงได้ถึงเมืองุสินารา เมื่อถึงเมืองกุสินาราแล้วพระองค์ก็ทรงนำเนินไปจนถึงสารวโนทยานหรือว่าอุทยานที่ชื่อว่าสารวันคือป่าไม้หลังอันเป็นพระราชอุทยานของพระเจ้าของพวกมลรคตัดพระองค์ก็ตินีตรัสให้พระอนุน์จัดแจงแต่งตั้งปูราเตียงให้มีศริรษะหันศริรษะไปทางทิ่อุดร ตั้งอยู่ในระหว่างต้นหลังทั้งคู่พระองค์ตรัสว่าสถาคตเหน็ดเหนื่อยมากนักจากงอระงับลำบากจากจงอจาจบรนทมระงับความลำบากพระอานนท์รับพุทธานัทแล้วก็จึงตกแต่งปูราดเตียงพระแท่นปรินิพานใสยญาติณระหว่างสารพุทธคือต้นหลังทั้งคู่ ตามพระราชประสงค์องค์ทุตเด็กผู้สัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงสำเร็จสีหาสายญาตโดยเอาเบื้องขวาลงตั้งพระบาทเดิมพระบาทมีสติสัมปทันยะที่จะไม่ลุกขึ้นมาอีกเพราะเหตุว่าครั้งนี้เป็นสัยยาวอาวสารคือเป็นการบรรทมครั้งสุดท้ายที่เรียกว่าอานุทธะสั ย, ยาในสมัยนั่นเอง ต้นลังทั้งคู่ก็เพ็ดดอกในอันในการที่มิใช่ฤดูกาลเบิกบานโดยรอบพฤกษมนทนตั้งแต่ลา ก, กันไปสลอดยอดดารดาดไปด้วยดอกหรือล่นแต่เบ่งบานควรเป็นสจย์และดอกสาระทั้งหลายเหล่านั้นก็จึงได้หล่นมาอย่างพระสลีละของพระพุทธองค์เพื่อเป็นกา ร, รกบูชาพระตถาคตเจ้า ตลอดกระทั่งดอกมุลทารกอันเป็นของทิพย์ซึ่งมีอยู่ในเมืองสวรรค์และก็จุนแห่งจันทั้งหลายสู่คนเจ้ชาติของทิพย์ก็ตกลงมาจากอากาศตกมายัางพระศีลละของพระตถาคตเจ้าท่านบนตรีทิพย์เสพ็จเจ้ากอบรูประโคมในอากาศเพื่อที่จะบูชาองค์สุเดชสัมมาสัมพุทธเจ้าในวาระสุดท้าย พระพุทธองค์ทรงเห็นเครื่องสาการะอามิชนีแล้วพระองค์ก็ติมได้ตาเกลียวพระอานนท์แล้วทรงสแสดงเครื่องบูชาสาการะอันเป็นที่พิเศษกับพระอานนท์่าว่าการที่เทพเจ้าหรือเราประชาชนทั้งหลายบูชาพระตถาคตเจ้าด้วยเครื่องสาการะอามิทแม้มากเพียงเท่านี้ สถาคตก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นอันที่พุทธบริษัทสการะมอบน้อมหรือคำนับด้วยสการ์แอดด้วยด้วยเครื่องสการ ะ, ะเหล่านี้พระองค์ก็จึงได้ตรัสว่าเครื่องสการะที่เป็นด้วยเจืออมิชนีไม่ชื่อว่าเป็นการเคารพหรือบูชาพระสถาคตโดยแท้จริงพระองค์จึงได้ตรัสต่อว่าดูก่อนอนนนท พิสุพิสมณีอุบาสกอุบาสิกาผู้ใดแลปฏิบัติตามธรรมสมควรจะทำปฏิบัติชอบยิ่งประพฤติทางอธรรมสมควรตามสมควรแล้วผู้นั้นชื่อว่าเคารพและสักกาละพระตถาคตอย่างจริงหรือด้วยการบูชาอย่างยิ่งดูก่อนพระอานอนท์พระเหตุนั้นในการที่สักการะบูชาขพระตถาคตเจ้านี้ท่าน ทั้งหลายผู้เป็นสาวกพึงสำเหนียดเถิดว่าเราทั้งหลายจากปฏิบัติตามธรรมสมควรจะทำปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามสมควรด้วยกรอนนท่านทั้งหลายเธอทั้งหลายภพมิศึกษาสำเนียดอย่างนี้เถิดเพื่อดำหลักนี้แสดงว่าองคุเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่สรรเสริญอามิสมบูชา ทรงสรรเสริญปฏิปัติบูชาพระองค์ที่ทรงสรรเสริญเช่นนั้นก็เพราะเหตุที่ว่าตามิสบูชานี้ไม่สามารถที่จะยังพุทธศาสนานั้นให้ยั่งยืนต่อไปได้แต่ศาสนาของพระตถาคุเจ้าจะยั่งยืนต่อไปได้นั้นก็เพราะเหตุที่พุทธบริษัทปฏิบัติประพฤติตามคําสอนของพระพุทธองค์แล้วศาสนาจะยั่งยืนตลอดต่อไป นี่แหละเราจะเห็นได้ว่าสาสนาพุทธของเรายั่งยืนมาตลอดจนทุกวันนี้ก็เพราะเหตุที่ว่าพุทธ บ, บริษัทของเรานั้นยังประพฤติในการปฏิบัติตามพระพุทธโอวาทของพระองค์โดยการที่ว่าเช่นมีการารักษาศีลเป็นต้นสมัยนั้นท่านพระอุ ป, ออปวานะยืนถวายงานพัดอยู่เฉพาะพระพักของพระผู้มีภาคเจา้าพระองค์ก็ทรงขับ ให้พระอุปวานเถระนั้นหลีกไปเสียโดยคำว่าดูความพิสูจเธอจงหลีกไปเธอจะได้มายืนณเบื้องหน้าแห่งเราแห่งเราเลยพรางนั้นท่านพระอานนท์ก็เกิดความปริวิตกขึ้นว่าท่านพระอุปวานผะู้นี้เถระผู้นี้เป็นพุทธอุปถากใกล้เคียงสมเด็จพระพูมีพระเจ้ามานานแล้ว เหตุะไหนในการที่สุดเป็นที่สุดนี้หรือในการนี้พระผู้มีภาคเจ้าจึงมาทรงลุกลานให้หลีกไปเสียไม่ให้ยืนเฉพาะพระพักพระอนุนคิดเช่นนี้แล้วก็จึงไปกราบทูลถามพระพุทธองค์ก็จึงได้แสดงเหตุว่าดูก่อนอนุนเทวดาในหมื่นโลกธาตุนี้มาประชุมกันแล้วโดยมากเพื่อที่จะเห็นตถาคเป็นครั้งสุดท้ายแต่ว่า เมื่อเทพเจ้าทั้งหลายมายอยูมาเฝ้าตถาคตเช่นนี้ก็เกิดจิตที่ไม่ดีต่อพระอุปวานะโดยกล่าวว่าการเบืองเกิดขึ้นแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนานๆจะมีครั้งหนึ่งและก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายเป็นคือสุดท้ายที่พระพุทธองค์จะทรงปรินีนแล้ว เราทั้งหลายนั้นต้องการที่จะมาเฝ้าพระพุทธองค์ในยามสุดท้ายแห่งนาฏีแต่พิสุผู้มีศักดิ์าใหญ่ผู้นี้มาเยืนกัน้นเราที่บางเบือนนาเราทั้งหลายไม่อาจเพื่อจะเห็นพุตถาคุตเจ้าได้อย่างเต็มตาในการเป็นสุดท้ายนี้เพราะฉะนั้นเทวดาทั้งหลายก็เปิดมีจิตที่ไม่ดีต่อพระอุปวานะเกิดยกโทษครึ่งฉะนั้นตถาคตจึงได้ขับพระอุปวานะเนี่ยให้หลีกไปสี ถ้าอนม์ก็จึงได้ทูลถามเกี่ยวกับประวัติของเทวดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็เทวดาทั้งหลายเป็นอย่างไรแล้วก็ทำจิตอย่างไรอยู่เล่าพระพุทธองค์ก็จึงตรัสว่าเทวดาบางตนนั้นเนะ่ยเกลือนปิ้งไปมาคล่่าครวนร้องไห้ถึงที่สถาคตว่าพระผู้มีพระเจ้านั้นจักพระปรินิพานเลวสนัก เื่องจากสุจากอัตนาทานหายเสียในโลกอในโลกนี้เลวนักฝ่ายพวกเทพ ย, ายดาทั้งหลายเหล่าใดที่มีราคะไปปราดแล้วคือเป็นพระอนาคามีและพระอรหันต์เทพเจ้าเหล่านั้นก็มีสุติสัมปชัญญะอดกัน้นด้วยธรรมสังเวชว่าสังขารธรรทั้งหลายไม่เที่ยงสิ่งที่เที่ยงซึ่งสัตว์ประสงค์นักนั้นน่ะสัตว์ทั้งหลายจะพุมิได้ในสังขาร น, นี้แต่ฉนันไหน พระพุทธองค์ก็จึงได้ตรัสประวัติแก่ของเทพยดาแก่พระอนนุนดังนี้แลวพระองค์ก็ทรงแสดงถึงเรื่องสังเวชนิยฐานสีตำบลคือในครั้งนั้นท่านพระอ น, นุนก็จึงได้กราทูุนว่าในการก่อนๆ น, นั้นพิสุท์ั้งหลายที่จำพรรษาอยู่ในทิศ ต, ต่างๆพอออกพรรษาสิ้นไตรามาสออกพรรษาแล้วก็ย่อมมาเฝ้าพระสถาคตเจ้าเป็นอาจินวัต ข้าพระพุทธองค์นั้นก็จะได้อจะได้เห็นได้เห็นนั้นได้เข้าไปเข้าใกล้หรือสนทนาแก่บพิสุททั้งหลายเหล่านั้นแต่ว่าเมื่อองค์สมสเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จล่วงลับไปแล้วปรินิพานไปแล้วข้าพระองค์ทั้งหลายก็จะไม่ได้เห็นจะไม่ได้เข้าไปนั่งใกล้สนทนาปาไสกับพิสุท์ัง้งละทั้งหลายเหล่านั้นให้เกิดความจเจริญใจขึ้นเหมือนเมื่อพระองค์ดำรงชีวิตอยู่ พระพุทธาเมื่อพระอนุนตรากทุลเช่นนี้พระพุทธองค์ก็จิงไดจักว่าโดยก่อนอนุ น, นสถานที่สี่แห่งก็คือหนึ่งสถานที่ตถาคตเจ้าจะสู่จากพระคันพระมารดาสถานที่ตถาคตเจ้าตัสรุอนุตตรสัมมาสัมพพธยญาณ สถานที่ต ถ, า, ถ, า, ถาคตเจ้าได้แสดงธรรมจักกับพวัตนสุขและสถานที่ตถาคตเจ้าบริญิพานด้วยอนุปาสิเสสนิพานธาตุสถานที่ทั้งสี่ตำบลนี่แหละเป็นควรเป็นสถานที่พุทธบริษัทควรจะได้เห็นควรจะดูและควรให้เกิดความสังเวชภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาผู้ใดเกิดมีศรัทธา มายังสถานที่สี่ตำบล น, นั้นด้วยความเชื่อว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่พระสถาคตเจ้าประศุสถานที่นี้เป็นสถานที่พระตถาคตเจ้าตรัสรู้แสดงธรรมจักรและสถานที่พระพุทธเจ้าพระสถาคตเจ้าวรรณาผ่านชนทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อท่องเที่ยวไปยังเจดีอันเป็นที่ เขารบอย่างนี้เมื่อทางการกีลยาลงแล้วชนทั้งหลายเหล่านั้นก็จะถึงซึ่งสุคติโล ก, กสวรรค์นี่แหละพระพุทธองค์ทรงแสดงถึงสังเวชนีฐานสีน่ตำบลซึ่งพุทธบริษัทควรจะไปนะควรจะไปดูไปเห็นเพื่อให้เกิดธรรมสังเวทด้วยความศรัทธาร่่มใสและย่อมยังผลให้ผู้นั้นเมื่อตายไปแล้วไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้ ต่อแต่นั้นพระอานนท์ก็จึงในทูลถามเรื่องการปฏิบัติในสตรีภาพต่อองคุณพระสมมาสรมพุตตเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ทั้งหลายจะพึงปฏิบัติในมาตุคามคือสตรีเพศนั้นอย่างไรพระองค์กรตัดวัน ด, ดูก่อา น, อนนท์การไม่เห็นไม่ดูเป็นการดี คือการไม่เห็นไม่ดูมาทดูคมได้หรือว่าสตรีเพศไดนั้นเป็นการปฏิบัติที่ดีที่ถูกต้องคืออย่าเห็นอย่าดูซะเลยเป็นการดีพระอนุนก็กล่าวทูลว่าถ้าหากว่ามีความจําเป็นที่จะต้องเห็นจะต้องดูละจะทูลปฏิบัติอย่างไรเช่นว่าในการที่เราไปบิฏบาศ มีอุาหมีสตรีเพศมาใส่ อ, อาหารและบิทบาทเราก็จาเป็นก็จะต้องได้เห็นได้ดูพระองค์ก็ตกัสว่าดูก่อนอ น, นุนถ้าเห็นแล้วก็ไม่ควรเจรจานั่นเป็นการปฏิบัติที่สมควรพระอนุนก็ทูลถามต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญถ้าจำเป็นจะต้องเจรจาละ่ะคือจะต้องพูดกันจะทำยังไงเพราะบางครัง้งบางคราวนั่นอาจจะมี รตรีเพทนั้นเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องธรรมะหรือข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาท่านจะไม่พูดหรือจะไม่ตอบเลยก็จะเป็นการไม่สมควรเมื่อเหตุเป็นชนี้แล้วจะพึงปฏิบัติเช่นไรพระองค์ก็ตัดว่าดูว่าก่อนนนถ้าหากว่าเกิดความจำเป็นที่จะต้องพูดก็ควรพูดโดยสามารถแห่งธรรมีคถาคือผููที่เรียกว่าประกอบไปด้วยธรรม ให้มีสติและลึกอยู่เสมอว่าเราเป็นสมณะะให้ตั้งสติเสมออย่าได้ให้มีจิตแตแปรปวนไปด้วยอํานาจดํามิสนาคือด้วยอาํานาจของราคะและละอาการกายวาจาที่ละเมิดของสมณะเสียนี่พระองค์ทรงปฏิบัติทรงสั่งสอนให้พิสุ ป, ปฏิบัติในสตรีภาพด้วยประการช น, นี้ต่อแต่นั้นพระอนุนก็ทูลถามเกี่ยวกับเรื่อง จะพึงปฏิบัติในพระสลีละของพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนอ น, นุนในการที่จะปฏิบัติในพระสลีละของตถาคุเจ้านั้นแหละพวกเธอทั้งหลายอย่าได้ขวนขวายไปเลยพวกพิสุบบริสัทธ์สหธรรมิกเนี่ยจงอย่าได้ขวนขวายเพื่อจะบูชาพตถาคตเจ้าเลยตถาคตขอเตือนท่านทั้งหลายว่า ทรงสู่ต่อความพยายามในประโยคของตนเถิดจงเป็นผู้หม่ประมาทในบทในประโยคของตนเถิดพึงเป็นบุคคลผู้มีความเพียรละกิเลสและป่าประธรรมเสียดูกรอนอนลขสัตรพรามณ์ข้าพบรีทั้งหลายผู้เป็นบัณฑิตซึ่งเลื่อมใสในพระศาสนาค้เจ้ามีอยู่มากบัณฑิตข้าพมาชนผู้นั้นซึ่งมีกษัตริย์เป็นต้นจะพึ่งสักการะบูชาพระสิริละของพระศาสาค้เจ้าเอง พระอ น, นุนก็กราบทูลว่าเรื่องนั้นเป็นความจริงแต่การบูชาพระศลีละแห่งพุทถาคตเจ้านั้นเนะ่ะเป็นกิจของเครื่องหัดนะเป็นต้นก็จริงแต่ขั้นถึงกาลสมัยพระองค์เสด็จดับขันปรินิพานไปแล้วพวกกษัตริย์ก็ดีพลางก็ดีหรือเครื่องหักบดีก็ดีผู้เป็นมดิดานั้นจะทําสการะบูชาศลีละให้ต้องตามพุทธธิบายนั้นเนะ่ะก็จะพึงไต่ถามพระอา น, นุ์ ผู้เป็นพุทธอุปถาเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วข้าพระพุทธองค์จะอ้างเสียว่าพระองค์ทรงห้ามไว้ว่ามไม่ใช่เป็นธุระของพวกบรรพชิตเราจึงไม่ทูลถามดังนี้ก็หาสมควรแก่บุคคลผู้เป็นบิดเป็นบิดไม่เพราะฉะนั้นคุณจะทูลถามไว้เป็นแบบอย่างเมื่อพระอนนท์กราบทูลถามเช่นนี้แล้วหากไม่ทรงสแสดงใจก็จะอ้างเหตุเดิมว่าได้ทูลถามแล้ว พระองค์ไม่ทรงอธิบายจึงจะชอบจะได้ไม่เกิดข้อขลังหาแต่ผู้ใดไ ด, ได้เมื่อทูลถามและจะทรงสแสดงฉันใดก็ควรจำไว้ฉันนั้นเมื่อบฑิดมีกษัตริย์เป็นต้นมาถามอย่างนี้แล้วจะได้สแสดงตามพุทธอธิบายเหตุการณ์ดังนั้นพระอนุ์จึงเป็นพระเถระซึ่งเป็นผู้เลิศ ก็มีงูลถามว่าข้าแต่พระองค์อ่าผู้เจริญก็บัณฑิตและกะาษัตริย์ทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อจะบูชานั้นจะพึงปฏิบัติในสศรีละของพระศาสนาคตอย่างไรเล่าพระองค์ก็ได้ตอบว่าชนทั้งหลายย่อมปฏิบัติในศรีละแห่งพระเจ้าจักรพรรดิ์ันใดเจ้าฉันใดพึงปฏิบัติในพระในศรีละแห่งพระสถาคตเจ้าฉัน น, น, น, นั้น ท่นมันก็ทูลถามต่อไปว่าก็ชนทั้งหลายปฏิบัติในศลีระของพระเจ้าจากักรพรรดิชันใดเล่าพระองค์ก็ตอัว่าดูก่อนอ น, นุนบุคคลที่เคยปฏิบัติในศลีละของพระเจ้าจากักรพรรดนั้นเขาใช้ผ้าขาวนั่นนะซึ่งเป็นผ้าใหม่แล้วซับด้วยสัมีแล้วก็ห่อสลีละของพระตถาคตเจ้าโดยอุบายเนี้ยโดยการที่ใช้ผ้า พันพระสิรละและวก็ทัพย์ดุลพระสมรีแล้วก็พันดุยพาอด้วยผาตลอดเช่นนี้อ่าด้วยพาห้าร้อยคู่แล้วจึงเชิญพัะสิริละนั้นลงรางเหล็กอันเต็มไปด้วยน้ำมันนี่เป็นการที่เรียกว่าการปฏิบัติในพระสิริละของพระธากขพระองค์ทรงตัดให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับอพระสิรีละของพระเจ้าจักรพรรดิ ตามเมื่อได้ปฏิบัติเช่นนี้แล้วพระองค์ก็ทรงตรัดว่าให้สร้างจิตกาทานอันล้วนประดุ้งง่ายหอมแล้วทำประชาพนกิจเหวายก็ะเพลิงพระสิรีละพระเจ้าจั ก, กรพรรดิราชแล้วก็เชิญอธิธาตบรนจุพระสุธูไว้ในที่ถนนใหญ่ๆสี่แพ่ง หนงทางสีแ่งอันเป็นถนนใหญ่ <Okay. S 1> เพื่อชนทั้งหลายย่อมปฏิบัติในสตรีละอ่าเพื่อประโยชน์แก่ชนทั้งหลายชนทั้งหลายปฏิบัติในพระสตรีระแห่งพระเจ้าจากภาภาักรพรรดิโดประการนี้ชันใดผู้ซึ่งจะบูชาสตรีละของพระถาคขุเจ้าก็พึงปฏิบัติในพระถาคขุจเจ้าฉันนั้นคือพึงสร้างสถูกแห่งพระธาคขุเจ้ารวงไว้ ในหนทางสีแพร่งแห่งถนนใหญ่ๆเพื่อไว้เป็นที่สการะบูชาแห่งมนุษย์อันสัญจรมาจากทิศ ท, ทั้งสี่ให้ได้กเกิดความเลื่อมใสแห่งจิตสังสมอนุสติอนุสติอุสุลและบูชาด้วยบุญเยลาสีชนทั้งหลายเหล่านั้นก็จะพึงยกขึ้นสึ่นดอกไม้และของหอมสู่คนทะชาติ บูชาพระถูกนั้นหรือจะได้กราบไหว้บูชาพระถูกนั้นอันนี้แหละจะทำให้จิตล้วนใสในพระพุทธคุณเพื่อเห็นพระสถูกนั้นเป็นที่ตั้งอันนั้นก็จะเพื่อจะเป็นประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลายสิ้นกาลนานเอาละท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ขอหยุดพักไว้จะเพียงแค่นี้ก่อนขอความจเจริญพระสุขจงมีแก่ท่านผู้ฟัง และนักศึกษาทุกท่านด้วยกันขอจเจริญพรผู้ฟังและท่านนักศึกษาทั้งหลายวันนี้เราก็มาว่าถึงเรื่องพุทธประวัติกันต่อไป <ME> ah. เมื่อครั้งที่แล้วนั้นเราได้พูดถึงตอนที่องค์สมเด็จพระสมัสมสมาสมัสมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงการปฏิบัติในพุทธสรีละให้เหมือนกับ การปฏิบัติในพระสลีละของพระเจ้าจากักรพรรดิแล้วก็ให้เอาอัฐิธาตุบรรจุไว้ในสถูปสร้างไว้ในที่วันทางสีแ่แผงเพื่อเป็นที่เคารพสการะแก่ชนทั่วไปวันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องปุทูปรารหะบุคคลสี่ประเภทองค์ทุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสวิธีปฏิบัติในพุทธสีละแล้ว ซึ่งเหมือนกับการปฏิบัติในพระสิริละของพระเจ้าเจกาพัดก็จึงได้แสดงถึงถูปาระหะบุคคลคือบุคคลที่ควรจะนำเอากระดูกหรืออธิบรรจุหรือประดิษฐานไว้ในพระสุทูแล้วก็ตั้งไว้เดิมนทางสี่แพ่ง เพื่อเป็นที่เคารพสการะแห่งบุคคลทั่วไปถูปาระหะบุคคลสี่ประเภทนั้นก็คือหนึ่งพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระประเจกสัมพุทธเจ้าสามพระอรหันตสาวกและก็สี่พระเจ้าจากักรพรรดิบุคคลพิเศษทั้งสี่ประเภทนี้จัดเป็นถูปารหะ บุคคลคือบุคคลที่ควรแก่การนับอธิบันจุไว้ในพระสุถูกเกดีเพื่อที่เป็นสการะบูชาแก่บุคคลทั่วไปที่เลื่อมใสซึ่งจะเป็นเหตุนำให้เป็นปัจัยให้บุคคลนั้นบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ตามกำลังเลื่อมความเลื่อมใสของจิตใจของตัวเองได้ ถูปราระหับุคคลสี่ประเภทนี้เป็นถูปราระหับุคคลโดย ก, กว้างก็คือองค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นถือว่าเป็นถูปราระหะบุคคลแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปพระปฏิเจก็พุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันและแม้อรหันตสาวกก็เช่นเดียวกันส่วนพระเจ้าจัากรพรรดนั้นถ้าเราจะพูดกันจริงก็คือเจ้าโลก ก็เป็นที่สการะของบุคคลทั่วไปอันนี้เป็นในส่วนกว้างแต่ถูปรารหาบุคคลในส่วนแคบนั้นเนี่ยก็มี4ประเภทเหมือนกันคือหมายความว่าถูปรารหะบุคคลอ่าส่วนแคบก็คือว่าส่วนแต่ละบุคคลมีใครบ้างนะถูปรารหาบุคคลในส่วนส่วนแคบของบุคคลนั้นก็คืออ่าหนึ่ง พระราชามหากษัตริย์นี่เป็นถูปาระหบุคคลแต่ละประเทศคือประเทศใดมีพระราชามหากษัตริย์ประเทศนั้นประเทศกษัตริย์ประเทศนั้นก็ทิ้งได้เป็นถูปารหบุคคลของประเทศนั้นนีประการหนึ่งประการที่สองก็ได้แก่บิดาประการที่สามก็ได้แก่มารดาและบุคคลประเภทที่สี่นั้นก็ได้แก่ครูอาจารย์ ทั้งสามประเภทนี้ก็เช่นเดียวกันบิดามารดาย่อมเป็นถูปารหาบุคคลของบุต ธ, ธิดาครูอาจารย์ก็เป็นถูปารหาบุคคลของศิษย์แต่ว่าบุคคลประเภทเหล่านี้ไม่เป็นถูปารหาบุคคลของคนที่ไม่ได้เป็นบุต ธ, ธิดาและไม่ได้เป็นศิษย์เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นถูปารหับบุคคลในส่วนแคบหรือในส่วนที่เรียกว่าย่นเข้ามา เป็นถูปราคาบุคคลแต่และบุคคลเท่านั้นเองเมื่อองค์สุเดชพระสัมมาสัมพุทธเจา้าประธานโอวาเช่นนี้แล้วพระอนุเทระก็จึงเด้นหลีกไปหลีกเข้าไปในสู่พระวิหารไปเหนียวสลักเพชรยืนร้องไห้อยู่โดยคิดว่าเรายังเป็นเสขะบุคคลมีกิจที่ทำยังทำไม่สำเร็จ องค์สุเดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้อนุเคราะห์สุ่งเหล่านั้นจากปณินิธานเสร็จแล้วเมื่อองค์ทุเดชพระสัมมาสัมพุทธเจา้าไม่เห็นพระอนุ์ก็จึงได้ตรัสถามพระพิกสุทิ์พิสุทธทั้งหลายก็กล่าวพูดว่าท่านพระอ น, นุ์นั้นเข้าไปยืนร้องไห้อยู่ในพระวิหารก็จึงดำหลักให้ตามหาพระอนุนมาที่เฝ้าเมื่อพระอนุนมาแล้วก็จึงได้ตรัสว่าดูก่อนอนนุ์ เธอจะได้เศร้าโศกโศกาลลำลาลไปเลยสถาคตได้บอกแล้วไม่ใช่ได้ตัดไปแล้วไม่ใช่หรือว่าความเป็นต่างๆย่อมอ่าความเป็นต่างๆความ่าและก็ความเป็นอูนจากสัตว์ทั้งทั้งขานที่เป็นทีรักที่เจริญใจทั้งปวงนั้นเนี่ยมิได้วางเว้นล็อกดูก่อน อ, น, อนุนสิ่งที่เที่ยงแท้ถาวรซึ่งสัตว์จะประสงค์นั้น สัตวทั้งหลายจะพึงได้ในสังขารนี้แต่ที่ไหนสิ่งใดเกิดขึ้นมีขึ้นอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นสิ่งเหล่านั้นก็มีความพินาศไปเป็นธรรมดาบุคคลจะมีความปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าได้พินาศเลยดังนี้ไม่ใช่เป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนอันนนเธอเป็นอุปถาสัาคต ด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมีเมตตาไม่เป็นสองไม่มีประมาณมาสิ้นกาลนานแล้วเธอเป็นบุคคลผู้ได้ทําแล้วมีบุญอันได้ทําแล้วเธอจงประกอบตามความเพียรเถิดเธอจักเป็นผู้มีอาสวะพลันหายไปขาดไปหรือสิ้นไปโดยฉพันธ์คือจะได้เป็นพระรหันโดยเร็ว องคุณเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ทรงพยากรด้วยอตีตาตานาคตายานแก่พระอนนท์เช่นนี้แล้วพระองค์ก็จึงได้สรรเสริญท่านพระอนนท์แก่พิสุทิ์ทั้งหลายว่าดูก่อนพิสุทิ์ทั้งหลายแม้องค์อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายที่มีมาแล้วในอดีตพิสุขผู้เป็นอุปถาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายนั้น ที่ปฏิบัติได้อย่างยิ่งก็มีประหนึ่งว่าเหมือนกับท่านพระอนุนผู้เป็นอุปถาของเรานี่แหละคือไม่มีพิสุองไหนที่จะเป็นพุทธุพุทธากใน พ, พุทธเจ้าในอดีตนั้นยิ่งไปกว่าพระอนนุ์แม้แต่ว่าพระพุทธเจ้าที่จะมีในการเบื้องหน้าพิสุที่เป็นอุปถากของพระพุทธเจ้าในอดีตในอนาคตการนั้นก็ปฏิบัติได้อย่างยิ่งก็แค่พระอนุนนี่แหละ ไม่มีผู้ใดพิสูจใดอื่นที่จะปฏิบัติพระพุทธเจ้าใด้ยิ่งกับพระอานนท์ได้อนนท์นั้นเป็นบัณฑิตดำเนินไปด้วยปัญญาปัญญาย่อมรู้ว่านี่เป็นการที่พุทธบริษัทควรจะเข้าเฝ้านี่เป็นการที่พิสูจนี่เป็นการแห่งพิสูจนีนี่เป็นการแห่งอุโบสอุบาสกนี่เป็นการแห่งบัตริกาที่จะเข้าฝ่าและนี่ก็เป็นการของพระราชามหากษัตริย์เป็นการของอมตะ เพราะฉะนั้นอานนท์เนี่ยเป็นผู้รู้เป็นผู้มีปัญญาจัดทําได้อย่างเรียบร้อยอานนท์นั้นย่อมรู้การที่บริษัททั้งสี่และพระราชามหาอมาตยเดียร์ถีสาวกเดีรีจะเข้าเฝ้าพระตถาคตโดยทีท่วนทุกประการแต่ง้นพระองค์ก็ทรงแสดงข้ออัศจรรย์สีญญส่ประการในพระอานโนท์โดยพิสดารคือข้อนหนึ่ง เมื่อใดภิกษุบริษัทก็ดีภิกษุนีก็ดีดอุบาสกอุบาสิกาก็ดีเข้าไปใกล้ผู้ที่จะเห็นพระอนุลชนทั้งหลายเหล่านั้นแม้ได้เห็นพระอนุลแล้วก็มีจิตยินดีถ้าได้ฟังพระอนุลแสดงธรรมก็เกิดความชื่นชมด้วยภาษิทของพระอนุลเป็นผู้ที่ไม่จีมไม่เบือ่อด้วยธรรมีคาถาที่พระอนุลแสดงนั้นขั้นพระอนุลอยู่แสดงธรรมแล้ว พุทธบริษัททั้งสี่นั้นก็มีจิตยินดีและไม่อิ่มไม่เบือ่อเพราะหนึ่งว่าพระเจ้าจะกรบพัดดิลาาเป็นผู้ให้เกิดความชื่นชมและความไม่อิ่มด้วยพาสิแก่พวกกระตัด พ, พรำข้าบดีและสมณะอย่งนั้นเมื่อพระอพระอนนท์ตรัสเช่นนี้แล้วตรั่เมื่ อ, อเมื่อพระพุทธองค์ตรัสรเสิรพระอานนท์เช่นนี้แล้วพระอนนท์เถระก็จึงได้กราบทูลว่า ขออาราธนาจึงได้กราบทูลแด่พระพุทธองค์ว่าขออาราธนาพุทธองค์นี้ไปปณิิพันธ์ณมหานครใหญ่ๆมหานครอุดรเพราะเห็นว่าอ่าามหานครใหญ่ๆโดยโดยโด ย, โดยกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระเจ้าอยากได้เสด็จปริิพันธ์ณเมืองเล็กๆเมืองดอนเป็นซึ่งเป็นกิ่งเมืองนี้เลย พระนครใหญ่ๆทั้งหลายอื่นมีหลายตำบลเช่นเมืองจำปาเมืองลาเจรืเมืองสาวถีเมืองสาเกตซึ่งล้วนแต่เป็นพระนครใหญ่ๆทั้นนั้นขอพระองค์จงเสด็จไปปรินิพานณ์พระนครนั้น 3. เถิดกระสั์พรามพระบดีซึ่งเป็นมหาสารที่เลื่อมใสในพระองค์นั้นก็มีมากในพรนาาในมหานครเหล่านั้นจกได้กระทำศึการะบูชาพระสิรละของพระเถาคตเจ้า อย่างมโหฬารสการะใหญ่นั้นควรแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นอนาคาลิกเป็นบุรุษอัศจรรย์นในโลกสมเด็จ พ, พ, พระพุทธองค์ก็จริงในจักห้ามว่าดูกฎอนุนท่านจะได้เธอจะได้กล่าวเช่นนี้เมืองกุสินารานี้แหละเป็นเมืองเล็กเมืองดอนเป็นกิ่งนครก็จริงแต่ในปางก่อนนั้น เป็นเมืองซึ่งมีพระอาเจ้ามหาสุทัศนะจกักรพรรดิราชปกครองอยู่ซึ่งพระเจ้าจากักรพรรดิราชนี้มีพระมหามีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตคันสีมาพระองค์ทรงชั่นะปัจจามิตรโดยธรรมโดยไม่ต้องใช้อัทยาหรือส ต, ตราพระองค์นั้น เป็นผู้ประกอบล้วนไปด้วยแก้วเจ็ดประการเมืองกุศินารานี้เป็นราชธานีเดิมนั้นชื่อว่ากุสาวดีเป็นที่เสด็จอยู่แห่งพระเจ้ามหาสุทัศจกักรพัินราชเป็นพระนครอันยิ่งใหญ่ไพศาลว่างขวางมากเมืองกุสาวดีท่ราชธานีนี้สมบูรณ์มั่งขั่งมีประชาชนมากมายเกลืนน่อนกลน พิศาหันหาได้ง่ายสะดวกดีเป็นที่โลมณนยสถานที่บันเทิงใจแห่งชนทั้งหลายและของเทพเจ้าผู้สาวดีนี้กึกต้องไปด้วยเสียงสิประการทั้งกลางวันกลางคืนโดยที่ไม่ขาดเสียงสิประการนั้นก็คือเสียงโคจรคือเสียงช้างเสียงม้าเสียงรถเสียงกลองเสียงตะโพนเสียงพินเสียงขับร้องเสียงกังสดาน เสียงสังทั้งเสียงที่ประชาชนนั้นเรียกกันให้บริโภคอาหารเมืองกุสาวดีนี้กลุดกล้อง ไ, ได้เสียงทั้งติดประการเช่นนี้นีิได้สงบเงียบทั้งกลางวันกลางคืนนี่องค์ทุเดระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงถึงเมืองกุสินารานั้นเป็นเมืองสําคัญในอดีตการ เมื่อพระองค์ได้ทรงแสดงถึงความสําคัญแห่งเมืองกุสินาลาเช่นนี้แล้วจึงได้ตรัสสั่งให้พระอานนท์นั้นเข้าไปทูลแก่พวกมลรคกษัตริย์ให้ทราบว่าพระสถาคุตเจ้าจะปรินิพพานณายามที่สุดแห่งราตรีณวันนี้เพื่อที่จะให้มรละพวกมรรคกษัตริย์ทั้งหลายนั้นไม่มีความเดือดร้อนในภายหลังว่าพระธถาคุตเจ้านั้นปรินิพพาน ในเมืองของเราแท้ๆเราทั้งหลายไม่มีโอกาสได้เข้าเฝ้าได้เห็นอันดเห็นพระพักรของพระองค์ในการสุดท้ายเลยดังนั้นท่านพระอนุนเถระก็จึงได้รับพุทธบัญชาแล้วก็จึงได้เข้าไปยังเมืองกุสินาราซึ่งเป็นระยะเป็นเวลาซึ่งพวกมลกระษัตรทั้งหลายประชุมกันอยู่ที่สันถาคานด้วยราชะกิจอันหนึ่ง ท่านพระอนุณาอาเถระก็จึงได้เข้าไปยังสัมถาคารที่ประชุมอย่างนั้นแล้วก็จึงได้แจ้งความว่าได้บอกแกพวกมันลักิย์ว่าดูก่อนอดูก่อนวาสิทตโคตรความปริยุพานแห่งพระาสถาคเจ้าจะมีในายามที่สุดแห่งลารีในวันนี้ขอพวกท่านทั้งหลายจงรีบออกไปเถิด อย่าได้มีความาเสียใจในภายหลังว่าไม่ได้เข้าเฝ้าในการสุดท้ายเลยพวกมรรคกษัตริย์พร้อมทั้งโอรสและพระธิดานั้นได้ฟังคำของพระอนุเทละฉิ่นนั้นแล้วก็กำโสดโศกาอาดุมเป็นอย่างมากคลำครวญลํำไหลถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าว่าสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจา้านั้นจะผริพานเสียพลันเร็วนัก ดวงจักรสุ ข, ของโลกก็จะอัตราธานไปเร็วนักพวกมรรคกษัตริย์ทั้งหลายเมื่อรำพันเช่นนี้แล้วก็จึงได้ดพร้อมทั้งพระโอรสพระธิดาทั้นสุนิสาและพระประชาดีสเสด็จไปสารวันมโนทิยานไปถึงตำนักของพระอานนท์พระอนนท์ก็จึงคิดว่า ถ้าหากว่าจะให้พวกมรรคกษัตริย์เหล่านี้เลี้ยงองค์เข้าไปถวายบังคมองค์ทุ้เด็พระสมมาสัมพุทธเจ้าแล้วไซก็จักไม่ได้ททันบังคมครบทุกองค์ก็จะสว่างเสียก่อนอย่ากันนั้นเลยเราจะจั ด, จดให้เข้าเฝ้าแต่ละสะกุลสกุลดังนั้นพระอ น, นุ์ซึ่งเป็นผู้มีความฉลาดจึงใช้ปัญญาปัญญาของตนเองนั้น ให้กษัตริย์พวกมันลักษัตริย์นั้นให้เข้าเฝ้าแต่ละตระกูลตระกูลคือพูดง่ายว่าเข้าเฝ้าทีละครอบครัวแล้วพระองค์ก็แล้วพระอนุ์ก็จึงได้การาบทูลให้องค์ุณเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว, ว่ามันลกักษัตริย์ตระกูลนี้ชื่อนี้พร้อมทั้งบุตรและภัญญาประชาบดีและอมาตย์ถวายบางงงังคมองค์ุณเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าด้วยเสียงกล้าวของพระองค์ดังนี้พระอนุเทระนั้นได้จัดให้เขา้า เฝาโดยตระกูลตระกูลทีละตระกูลเช่นนี้ปรากฏว่าพวกมกรรากษัตริย์ทั้งหลายได้เข้าถวายอภิวาตองคทุจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดเสร็จในเบื้องต้นแห่งราตรีคือในปฐมยามคือภายในสี่ทุ่มเท่านั้นเองด้วยอังหนา้าความฉลาดของท่านพระอนุลสมัยนั่นเอง มีปริพาชกคนหนึ่งชื่อว่าสุพัท ธ, ธอาศัยอยู่ที่เมืองกุสินารา น, นั่นเองสุพัท ธ, ธปริพาชกนี้ได้สดับมาว่าพระสมณะโคนดมจากปณิพันธ์ณยามสุดท้ายแห่งราตรีวันนี้ก็จึงได้คิดถึงเนื้อความตามที่อาจารย์เก่าๆนั้นได้พูดต่อกันมาสุดๆกันมาว่า องค์สมเด็จพระอรหันต์องค์สมเด็จพระตถาคตเจ้านี้ย่อมบังเกิดขึ้นในโลกในการบางครั้งบางคราวเท่านั้นไม่ได้เกิดอยู่ตลอดไปย่อมมีเป็นบางครั้งบางคราวแล้วก็พระองค์จะปณิพานณสุดท้ายแห่งราตรีวันนี้ความสงสัยข้อนี้บังเกิดขึ้นแล้วแกเรามีอยู่ เราก็เป็นผู้เลื่อมใสยอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมนั้นสามารถที่จะแสดงธรรมให้เรานั้นละความสงสัยได้เมื่อคิดเชนนี้แล้วจึงได้เข้าไปเฝ้าองค์สุเดระสัมมาสัมพุทธเจ้าในราตรีวันนั้นเองคือตามประวัติแล้วปริภาชคุณนี้มีความสงสัยในธรรมะข้อหนึ่งอยู่นานแล้ว แต่ตนเองไม่กล้าถามเพราะเหตุที่ว่าตนเองกับองค์สุเดระสัมมาสัมพุเตเจ้านั้นเป็นคนล ะ, ละทิขั้นเมื่อจะถามแล้วก็แสดงว่าตนเองนั้นยอมรับว่าตนเองไม่รู้ความสงสัยอันนี้ก็กินใจตัวเองตลอดมาจนในทดทสุดก็จึงได้ละมานะอันนี้ได้เพราะเหตุคิดว่าถ้าหากว่าไม่ได้ถามแล้วองค์สุเดระสัมมาสัมพุเธเจ้า ตอนนี้นผานไปแล้วความสงสัยนี้ก็คงจะกินใจตัวเองเป็นต่ไปตลอดชีวิตดังนั้นในลาตรีวนันนั้นเองเมื่อตอนแอมเมื่อปริพาชกสุภะทะปริพาชกทราบเขาก็จึงได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์ไปก็ไปพบเอาพระอานนท์ขึ้นพี่สารวันนั่ น, น, นเองพระอนนท์ก็เล่าความตามที่ตนเองดําริให้พระอานนท์ฟังแล้ววิงวอนขอที่จะเฝ้าพระพุทธเจ้า พระอนนทเถระก็จึงได้ทัดทานไว้ว่าดูาาดกรสุภัททะผู้มีอายุอย่าเลยท่านจะได้ทําความเบียดเบียนให้พระถาคขเจ้าเลยพระองค์นั้นทรงลําบากพระกายอยู่แล้วสุภัททะก็ไม่ยอมวิงวอนอยู่เช่นนี้ถึงสองสามถึงสามครั้งพระอนนท์ก็ขัดคานมาถึงสามครั้งเหมือนกันแต่ว่าองค์ตุณเทพระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้ยินเข้าก็จึงได้กล่าวกับพระอนนท ได้ยินการที่พระอนุนกับสุภัทปรปริพ า, าโชคนี่เจรจาเขาก็สิ้นในตั๋วอนตนปล่อยเทิดจงปล่อยอย่าห้ามสุภัทประริภาอาจายห้ามสุภัทเลยจงให้ปริณทพนั้นได้เห็นพระตถากดเทิดสุภัทจะถามปัญหาอันใดอันหนึ่งแก่เราก็จักได้เป็นคนที่มุ่งความตัสรู้ะเพราะฉะนั้น จะไม่เป็นการที่เบียดเบียนพระธถามโคตรให้ลำบากอันหนึ่งเราเราอันสุภะได้ถามแล้วก็จะพยากรณ์เนื้อความแก่สุภะสุภะเมื่ อ, อจาจะกก็ก็จกัจกจะลุกทั่วถึงเนื้อความอันนั้นโดยฉับพลันดังนั้นท่านพระอนุนก็ปิ่นเดืดเตือนสุภะว่าดูดูก่อนสุภะเธอจงรีบเข้าไปเฝ้าเถิดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นประทานโอกาสให้แก่เธอแล้วให้แก่เธอให้แ ก, กท่านแล้ว ผพัฒธปริพาชคก็จึงได้เข้าเฝ้าและจึงได้กล่าวสัมโมทิยกาถาปฏิสันฐานานั่งนั่นที่ควรส่วนข้างหนึ่งก็จึงได้ถูถามถึงเรื่องพระบรมครูหรือว่าคณาจารย์ทั้งหกคนซึ่งมีภูรณะกัสสบมัคลิโคสารอาชิตะเกษกัมพลปะกุตตะกัจจายนะสัญชัยเวรทบุต และมีคนธนาตะบุรซึ่งครอบครองหรือปกครองหมู่คณะอยู่มีชนเป็นอันมากมีชนเป็นอันมากซึ่งเป็นคนดีคนเปนเรตได้สเสนอเสวนว่าได้แต่สรู้ด้วยปัญญายิ่งตามปฏิญาณข้งตนคือครูทั้งหกนั้นนะ่ะปฏิญาณตนเองว่าเป็นผู้ที่ตต่สรู้เองด้วยปัญญาอันชอบคือพูดง่ายว่าเป็นพระหรหัน ปริพาชกนี้ก็จึงได้ทูลถามว่าต้องการทราบว่าครูทั้งหกนั้นน่ะได้ตัดสู้จริงเป็นพระอรหันจริงหรือไม่หรือไม่ได้ตัดสู้ไม่ได้เป็นพระอรหันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาา้าตรัสว่าสุภัททะอย่าเลยขอนั้นจงยกไว้อย่าสนใจเลยเกี่ยวกับเรื่องความเป็นพระอรหันตัดสู้จริงหรือไม่ของครูทั้งหกนั้นยกไปเถิดตถาคตจะแสดงธรรม ให้ท่านฟังแล้วพระองค์ก็แสดงธรรมว่าดูก่อนสุภะะมันคาคือข้อปฏิบัติมี อ, องค์แปดเป็นอริยะไปจากข้าศึกเป็นมันคาอันประเสริฐไม่มีอยู่ในธรรมวินัยคำสั่งสอนอันใดมิไม่คาสั่งสอนอันใดแล้วสมณะที่หนึ่งที่สองที่สี่ย่อมไม่มี ในธรรมวินัยนั้นดูก่อนสุภะก็แลมันคามีองค์แปดอย่างเป็นอริยะไปจากคาสึกเป็นมันคามาเสดมีอยู่ในธรรมวินัยคําสอนอันใดสวรรค์ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ย่อมเกิดในธรรมวินัยนั้นดูก่อนสุภะมันคามักมีองค์แปดประการเป็นอริยะไปจากคาสึก เป็นมรรคอมัสเธอร์มีอยู่ในธรรมวินัยนี้สมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็มีอยู่ในธรรมวินัยนี้แห่งเดียวซึ่งพระดำรัตอันนี้มีความหมายว่าองค์สุนเด็ศสัมมาตรัตเก็ บ, บสุพภะปรีภาชเทวกว่าดูก่อนสุภะมรรคมีองค์แปดมีอยู่ในธรรมวินัยใด สมณะที่หนึ่งที่สองที่สี่ก็คือได้แก่พระโสดาบันพระสติธาคามีอนาคามีพระรอรหันย่อมมีในธรรมวินัยนั้นแต่เท่ามากักแปดนี้ไม่มีอยู่ในธรรมวินัยใดพระอริยบุคคลสี่ประเภทที่กล่าวนั้นก็ไม่มีอยู่ในธรรมวินัยนั้นแต่ว่ามักแปดนั้นมีอยู่เฉพาะในพุทธศาสนานี้เท่านั้นเพราะฉะนั้น ภริยบุคคลศรีจึงมีอยู่เฉพาะในพุทธศาสนานี้แห่งเดียวไม่มีในศาสนาอื่นมีความหมายที่พระองค์ทรงตรัสรู้พระริยาบุคคลแก่สุภัททะปริพาชกนั้นมีความหมายเช่นนี้ดังนั้นสุภัททะปริพาชกเมื่อได้สดับพระธรรมเทศนาขององค์สุเรตพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ก็จึงได้หมดความสงสัยทันทีเกิดความเลื่อมใสในพุทธศาสนาคือในพระธรรมเทศนาขึ้นก็จึงได้แสดงตนเป็นอุบาสกแล้วก็จึงได้จึงได้ทูลขออุปสมบทในพระธรรมวินยัยว่าผ้าแต่พระผู้มีผ้าขอพระองค์ได้บรรปชาอุปสมบท ขอข้าพระองค์ได้ก็พได้การบรรณาแจวสมบทในสำนักของพระผู้มีภาคเอร์พระองค์ก็จะใเนตัดถึงวิธีของติทยาปริวาติตามพระวินัยนิยมก็คือว่าบุคคลที่เป็นเดียรถีนั้นจะต้องอยู่ปริวาติเสียก่อนสี่เดือนโดยการที่อยู่ปริวาตินั้นเพื่อให้ภิกขุทั้งหลาย พอใจและจึงจะยอมรับให้บวชได้เมื่อพิภุมมีความพอใจเช่นนี้แล้วก็จึงจะยอมอุปสมบทให้เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงเรื่องวิธีแห่งการอยู่ติทยาปริวาสสี่เดือนเช่นนี้สุพัทธะบริพาชขก็กราบทูลด้วยความเลื่อมใสข้างตนอย่างกล้าหาญว่าถ้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ถ้าติดปริอัตาติทิยะปริวาสมีกำหนดสี่เดือนฉะนั้นแล้วข้าพระองค์จะอยู่ให้นานถึงสี่ปีตอรล่วงสี่ปีแล้วภิกษุทั้งหลายจงให้ข้าพระองค์มีบรรปชาอุสมบทเป็นภิกษุเถิดนี่สุภัทธาปริพาชกนนั้นกล่าวเพระเหตุที่ว่าตนเองนั้นเลื่อมใสยอย่างมั่นคงในพุทธศาสนาเดี๋ยวว่าจะอยู่เพียงสี่เดือนเลยแม้สี่ปีตนเองก็ยอมนี่ด้วยความเลื่อมใส องคุณเดชพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเมื่อพระองค์ได้สดับเช่นนี้แล้วพระองค์ก็รู้ถึงความมั่นคงในจิตใจของสุทัพปริภาชกก็จึงได้ตรัสแกอ น, อนน์ว่ะดูกรอนอนุวะท่าคันั้นพวกเธอทั้งหลายจงให้สุทัพปริภาชกนี้อุปสมบทเถิดท่านพระอนุเถละก็จึงได้รับพุทธประสงค์พุทธานาเพื่อที่จะให้ สุพัทธะปริพาชกมีบวชตามพุทธประสงค์อ่าสุพัทธะปริพาชกก็จึงเด้สรรสริพระอ น, นุว่าข้อที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ เ, เจ้านั้นได้พิเศษด้วยอันเตวาสิกะพิเศษในกิจให้รับบรรพชาอุสมกูรขบเจ้านี้เป็นลาภอันประเสริฐ ข, ของท่านพระอ น, นุ์พระอ น, นุ์ได้ดีแล้วหมายความว่า สุภัทะปริพาชกนั้นแต่ละเสด็งพระอนท์นว่าพระอนุนนี้ได้ลาบใหญ่การที่องค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ประทานมอบให้พระอนนนเนี้เป็นพระอุปชาแทนองค์แทนพระองค์นั้นถือว่าพระอนุนนี้ได้ลาบอันยิ่งใหญ่แล้วสุภัทะปริพาชกนั้นก็ได้บรรพชาผสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคสุภัทะบรรพชิต อัมุพัทธะนี้เมื่อได้บวชแล้วไม่นานก็ได้หลีกไปจมูกได้หลีกออกไปจมูกอยู่ในที่สงัดแต่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรให้กิเลสเล่าร้อนในไม่ช้าเลยก็จึงสำเร็จอรหัตผลเป็นพระหันขึ้นองค์หนึ่งจึงนับว่าท่านพระสุพัทธะองค์นี้เป็นภาษาวบก องค์สุดท้ายแห่งองค์สุดเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งสุภัทบริพาโชคุนี้สามารถบำเพ็ญสมณธรรมจนสําเร็จเป็นพระอรหันต์ก่อนที่องค์สุดเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปฏิพปันในราตรีคืนนั้นจึงนับได้ว่าท่านพระสุภัทบริพาชกนี้เป็นภาษาวกคือเป็นพระอรหันต์องสุดท้ายซึ่งต่อมานั้นปรากฏว่า สุภัทนานี้ได้ถูกอง่าได้ถูกพระพิสุททั้งหลายอ่าก่อนที่จ ะ, ะก่อนสุภัทธาปริพาชกนี้ก่อนที่จะสําเร็จเป็นพระอรหันต์นั้นปรากฏว่าได้ถูกพิสุท์ทั้งหลายนั้นกล่าวติเตียนหาว่าสุภัทธาปริพาชกนี้ไม่มีความพักดีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่พระองค์ทรงไปชวนนี้แทนที่จะอยู่ปฏิบัติกันแต่ได้หลีกไปเสีย พระองค์ก็จึงตรัสให้ตามมาก็จึงถามความในใจหรือความความคิดสุภทตาบริพาชคนี้ก็จึงได้กราบทูลถึงเรื่องความคิงตนว่าตนเองนั้นต้องการเพื่อจะปฏิบัติให้สําเร็จมรรคผลนิพพานก่อนที่องค์สุเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะบริพานพระองค์ก็จึงได้ตรัสสนเสริญว่าแล้วให้สนเสริญแก่สุภทตาบริพาชกให้ที่สุดอื่นเอาเป็ น, เ อ, เ, ปนเอาเป็นตัวอย่างว่าที่สุดทั้งหลายจงเป็นผู้มีความไม่ประมาท สุษัทปริภาชกเถิอันนี้นับว่าก็เป็นความดีชนิดหนึ่งซึ่งองค์สเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สรรเสริญสุษพัทธปริภาชคเอาละท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็ขอหยุดไว้แต่เพียงแค่นี้ขอความเจริญผาสุขจงมีแก่ท่านผู้ฟังและท่านนักสุตตาทุกท่านขอเจริญพร